มีบางคนก็ไม่รู้เลยว่า <Hello. S 1> เราเกิดมาเนี่ยเกิดได้ผลพวงของทุกข์ความคิดความอยากเราเป็นทุกข์ยังไงเราไม่รู้เนี่ยเราดูไม่ออกเข้าใจไม่ได้ชีวิตเราก็เลยหมุนไปตามกรรมกิเลสวัฏ ต, ตะมันเป็นมิปากกรรมมิปากของความคิดเราแนะ่นจะเขียนภาพให้ดูบ้างที่กายมันอยู่เฉยๆนะจะเป็นจิตเป็นตัวสั่ง อันนี้เป็นนามนามสั่งรูปคนส่วนมาเอาใจใส่รูปไม่ได้เอาใจใส่นามแต่นามเนี่มันอยู่เฉยๆอย่างเวลาจิตมันพักผ่อนเวลานอนเนี่มันจะนิ่งๆรูปก็ทำอะไรไม่ได้แต่พอตื่นขึ้นมานามมันคิดพอมันคิดแล้วไม่สองอันไม่รักก็ชังพอใจก็ไม่พอใจคิดเฉยๆมีน้อยมากแล้วมันก็เกิด พาล่างกายมันไปทํำเลยในไปทําทสิ่งที่กระทำมันเขาเรียกว่ากรรมมีสองงานดีกับชั่วมีเท่านี้เองคนนะแล้วแต่มันจะไปทําอะไรแต่ส่วนมากมันชอบทำอะไรชอบทําความชั่วมากกว่าความดีพอทํากรรมปุ๊บ ก, กรรมทำกรรมแล้วก็เกิดเป็ น, นกิเลสกิเลส ก, ก็คือทําแล้วติดใจ ทำแล้วมันลืมไม่ได้อ่ะทําแล้วมันยึดติดมีการทํากรรมทางกายวาจาหยิบมีความคิดนั่นเองพอทําทปุ๊บนี่ยทํากายกรรมวิชีกรรมมโนกรรมขึ้นมาก็เป็นกิเลสกิเลสนี่แปลว่าเหนียวอย่างเหนียวมันติดแล้วไปจับอะไรสักอย่างแล้วมันติดเราไปหยิบอะไรมันก็ติด มันสลัดไม่หลุดโดยเพราะจิตที่มันเป็นแผลมันเคยแล้วมันจะติดไปเ่ยเรื่อยพอเธอทำกติดก็ติดก็ติดเมื่อเราชอบกินอะไรเนี่ยมันจะกินอัไรนั้นจิตก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นกิเลสกิเลสก็มีสามแบบพอเป็นกิเลสแล้วก็มันพ็มีตัวนี้เป็นวิบากระูว่าวิบากกรรมมีวิบากก็คือพอทํามีกิเลส ยียิเลสกรรมมีทํากรรมแล้วก็มาวิบากแล้วก็ฝากมเมล็ดมันเอาไว้แล้วก็มามีกิเลสอีกกิเลตกรรมวิบา ก, น ก, รรบากคนหลายหลายคนจะมีกิเลสมันทำพวกมีเหงื่อมีความคิดมันสะสมไว้ไงความคิดในทีแรกก็คิดเฉยๆคิดเฉยๆทีแรกรับรู้เฉยๆนะรู้ รับรู้ที่เฉยเนี่ยกระทบแล้วมันรู้แล้วมันมีพอใจไม่พอใจจดจำปรุงปรุงความคิดตัวเองได้ด้วยปรุงคือปรุงให้มันอร่อยขึ้นทาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมันกระทบอะไรใครสักคนเนี่ยมันจะปรุงปรุงเป็นชังเป็นโกรธเป็นเกลียดเป็นรักแล้วแต่มันจะปรุงขึ้นมารับรู้นี ต่อไปก็รู้เน่จิตมันจะทําหน้าที่แบบเนี้ยแต่ว่าพอมันไม่ทาําหน้าที่นี่มันเกิดพอใจมันมีอุปทานคือพอมันรู้แล้วก็ติดในความรู้อันนี้มันพอใจไม่พอใจก็ติดในความพอใจไม่พอใจอันนี้มันจด จ, จําก็ติดในความจด จ, จําอันนี้มันปรุงแต่งขึ้นมาปรุงแต่งคิดยาวๆก็ติดความปรุงแต่ง มันรู้เรื่องอะไรรับรู้ทางอายตนะรอยู่มันก็ติดความรู้อันนี้แล้วมันอยากรู้อีกเห็นก็อยากเห็นอีกได้ยินก็อยากได้ยินอีกเคยกินก็อรับรู้รสอะไรมันก็อยากเป็นอีกนะเรียกวอุปทานขันอุปทานมีสี่อย่างกลามพิธีอากาสีรับตุก้กล้ามไม่พอรู้จักนะเพราะกระทบปุ๊บแล้วมันเกิดกาม มันเป็นอุปทานขันอันนี้เขาเรียกว่าอุปทานในขันนี้มีอุปทานมีความยึดติดทีนี้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นที่มันมีอุปทานเนี่ยมันจะมีอุปทานมันมีสี่ตัวอันนี้มันเกิดอารมณ์กามอันนึงแหะอันที่สองก็เกิดทิฏฐิเกิดความคิดความเห็นต่อเรื่องนั้นนั้นแบบนั้นไปนั้นแล้วจิตมันก็จะวิ่งเข้าไปในความคิดเนี่ยมันเป็นมันจะเริ่มพอมาเข้าไปบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันเข้ามามันทันทีมันจะเป็นกิเลส มันจะหมุนแบบนี้แนหะหมุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆวันที่ก็หมุนมาท่านี่หมุนมาคำกิเลสวิบากิกกเลสคมวิบากกิเลสคำวิบากมาขึ้นมาเรื่อยๆคือมันไปใส่ข้อมูลนี้ไว้พอเรา ม, มีความคิดความอยากพวกนี้นี่นี่นี่อุปทานพวกเนี้ยมันเข้าไปมีคือตัวนี้อะไรนี่คืตัวนี้มันก็ต้องทํากรรมวันนี้นี่พ อ, อทําทีนี้มันก็มีวิบากวิบา ก, บากคือผลผลมันเหมือนเราไปปลูกพืชเนี่ยพอปลูกพืช มันมีพืชมียางเหนียวในตัวมันพอไปปลูกพอปลูกปุ๊บเขาเรียกว่ากรรมทำกรรมแล้วก็จะเกิดผลผลมันก็ขึ้นมาอีกแล้วก็จะงอกอีกไงนั้นความคิดเราพอใจไม่พอใจอะไรต่างๆ น, น, นี่แล้วมันก็จะติดอยู่ในจิตเราเมื่อติดอยู่ในจิตเรามันจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาอีกนี่พราะมันมีกิเลสนี่ยมันฝังอยู่ในใจมันจะเกิดกรรมอีกคิดอีกวกไปวนมาวกไปวนมาเดี๋ยวเราเกิดมาเราคิดถึงพ่อคิดถึงแม่เราคนแรกนะ รู้สึกว่ามันอบอุ่นรู้สึกการสัมผัสเด็กมันจะสัมผัสแล้วมันจะรับรู้ถึงความเป็นมิตรของพ่อกแม่แล้วมันจะเกิดกิเลสเกิดอุปทานอุปทานกับพ่อกับแม่เขาเรียกว่าความรักความเมตตาความกิดตันยูก็ลสิยาวาไปนะที่จริงคืออุปทานนั่นแหละมันติดวันนี้พ่อมามีอุปทานอยากให้ลูกไปละเกินอะไมัน อ, นอุปทานรักที่จริงมันรักตัวมันนั่นแหละไม่ใช่รักลูกหรอกรักตัวมันเอง ลูกกูมันมีคําว่ากูอยู่ในนั่นนะ่ะเขาไม่รู้เท่าทันลูกก็ไม่เอาฉันไม่ไปฉันจะปฏิบัติธรรมพอกลัวมันมีโอกาสตรงนี้นะเอา้าปล่อยมันสู้กันทีระหว่างตัวกูกับตัวสูนี่วะใครดีใครอยู่นะว่ากูว่าลูกสู้ดีกว่าลูกอยู่ได้มันจะมีวิธีมาแหละกิเลสมันจะเป็นเงี้ยเข้าไปสู่ในวงจรนั้นก็คือจบชีวิตเป็นเพราะอะไรนะลวงเอาเลยนะตัวใครตัวมันนะ ลูกปืนนะเนี่ยหล่นมาถูกคนตายเนี่ยฉลองพี่ใหม่ยิงปืนขึ้นฟ้าสนุกสนานลูกปืนตกลงมาจังหวัดราชบุรีเหลือตายหกกลังนอนอยู่สร้างจังหวะอยู่ตาย <c oughs> ก็พอดีจะเปนิพพานพอดีนะตายตอนปฏิบัติทำเนาะนี่แหละสร้างจังหวะไว้ตายด้วยจิตว่างไงว่างเปล่า เวลาตายเวลาทุกเวลาอะไรเนี่ยเข้าโงพยาบาลอะไรก็ตามนะทําให้ใจว่างๆทาใจว่างๆเลยเวลาคลอดลูกก็เหมือนกันเบ่งว่างอะไรอยเงี่ยมีลูกจะคลอดให้ดูสัหน่อยนี่ก็คลอดหลายคนแล้วหลายองค์แล้วเนี่ยอุปทานขันอัตตาศีและประตูนี่คืองมงายนเนี่ยติดยึดอยู่ในความงมงาย ช่องสวดมนข้ามปีเนี่ยสวดจะให้โชคลาภร่ำรวยโชคลาภร่ำรวยพระเทพเจ้าพระอะไรเนี่ยกินอิ่มมีพี ม, มันร่ำรวยนะพระอะไรหนี่ยหูสั้นๆนนไม่ได้ดูหรือแปดเซียนข้ามทะเลเนี่ยพระสังกกระจายเหรอพระมหากระจายนะ ถ้ามาคุยเจนนาแต่ก่อนเ น, นรูปหล่อหล่อนะไปทางไหนคนก็ชอบเพราะรูปหล่อไงเดี๋มันรูปหล่อรูปหล่หร อ, รหร อ, รหอเปิดว่าอย่างมีงานประชุมสงฆ์มีอะไรนี่่างาเนี่ยโอ้ถ้าท่านอยู่ด้วยคนไปถวายอาหารเยอะแยะเลยเรียกว่ามีแม่ยกเยอะอาหารกันกินเยอะแยะมากที่นี้ตามตำรากล่าวว่าเพราะเห็นว่า มันเป็นอุปสรรคไปที่ไหนคนกน็ติดคนไหนคนก็นติดคนไหนคนก็รักท่า น, น, นก็เลยอธิษฐานตัวเองให้ท้องใหญ่หุน้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปที่ไหนคนก็ไม่เหลียวแลทีนี้ความจริงไม่ใช่หรอกเท่าที่ดูนี่ก็คือคนไปถวายเยอะก็เลยกินมากว่า ก, กินมากแล้วบอกว่าอาธิษฐานตัวเองที่ไหนได้คือเอ้าวันนี้ก็ไก่ย่างวิเชีบุรีวันนี้ก็ตำมละกอสาธนณสุข เดีย๋ยวเขาวันนั้นวันนี้มานี่ออมเก็ย น, น้อยน้องงัวพวเนี้อหวมันก็อดไม่ได้เนาะเอามาเข้ามาเข้าก็เลยเห็นแต่ใบหูสั้นๆเข้าสั้นเขา้เขาตัวโตขึ้นไงคนทั้งหลายจะไปขอเดี๋ยวนี้แต่ก่อนเขาล่าเขาสร้างเรื่องเจ้าแม่อะไรนะควรอิ่มเป็นนิทานนิยายเขาสร้างขึ้นมาเดี๋ยวนี้เราเขาปั้นรูปเจ้าแม่ควรอิมใหญ่โตตั้งไว้แล้วก็มาขอพรอีกเห็นไหมจริงเราสร้างขึ้นมาเฉยๆ ะพระพรหมนี่พระพรหมที่ลงแรงนั่นลงแรงนี่เราก็สร้างขึ้นมาแล้วก็ไปขอพรอเห็นไหยเราคิดเองแล้วเราก็ขอเองเนี่ยคือความงมงายของเราเองตั้งใจสร้างจังหวะ ด, ดีๆได้บอกทุกวันวยเ่ากูนึงกูนึงเนี่เยเคำนี้ว่าความงมงายนี่อัตตาเนี่ย ค, คือตัวตนของเราเองทิฏฐิก็คือทิฏฐินัะนะ่นแหละทิฏฐิมีทิฏฐิมาณนะกูคือกูเนี่ยอัตตา ตัวตนทิฏฐิความคิดความเห็นกรรมคืออารมณ์รามคะเนี่ยพวกนี้มันจะมีอยู่ในนี่นี่นี่มันมาอยู่ในนี่มาอยู่ในความพอใจไม่พอใจเรื่องนี้เรื่องนี้นี่ที่ไม่พอใจเพราะอะไรเพราะเรื่องนี้ี่ที่ไม่พอใจเพราะอะไรเพราะทิฏฐิเพราะกรรมไม่พอใจเพราะเรื่องของกูเห็นไหมนี่เพราะอะไรเพราะนี่ความคิดความเห็นเี่มหน่าจะยังงั้นอย่างนี้นี่อูเชื่อมาอย่างนี้เนี่ยจิตมันจะเป็นอย่างนั้นนหละ ท่านก็เลยเป็นทุกข์อันนี้ปรุงแต่งในปรุงแต่งเพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้นจดจํำไม่เพราะเนีย่ยเขาเรียกว่าอุปท า, านขันมันจะไม่อยู่ในนี้มันจะมามีอุปท า, านนั้นการรับรู้แต่ละขนานี้เป็นทุกข์ตลอดเพราะเราหลงอารมณ์ไงแล้วเราไม่เข้าใจเราไม่มีไม่เป็นทําไม่ได้ดูดิ ي, แค่นี้เองเนะี่ยแล้วเราก็หลงหลงตัวเองหลงรูปอันนี้รูปกาย น, นี้หลงจิต หลงว่าสวยว่างามว่าดีว่าเด่นว่าพอใจว่าสุขว่าทุกข์หลงแต่รูปนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นธรรมชาติของการเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็เปล่อยปุพังเน่าเห็นไปเรื่อยๆตายไปชีวิตีก็ไม่มีอะไรสลายหายไปเฉยๆมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในกายนี่เท่านั้นเองว่ากูเป็นกูมีมันมีความรู้สึกว่าเป็นว่ามีไงบางคนมานอนอยู่นี่ อย่างว wow. ัลุงตานอนสองคนได้ไหมเป็นไะไรเธอเป็นอะไรกลัวผีไอ้กัวผีก็คือตัวนี้งงมงายเนี่ยมันติดนอนคนละคนไม่ได้เลยไม่ได้นะเรานอนด้วยกันเราต้องจับมือกันไว้ก่อนนอนเพื่อมันจะหลับเนี่ยโอ้ยโอ้ยอยยอยอยโอยโ้ยย้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ย้อ้ออ้ออ้ยอ้้ยอ้ยโอ้ย ผีมันมาแกะออกได้ตอนนั้นก็นมาบีบจมูกมันจะเข้ามาทําไมตอนมึงจับกันอยู่เนาะนี่ไปคิดเอาเองทาไมให้นอนด้วยกันไม่ให้จับกันนี่กลับบ้านนะเนี่ยเขจะโง่ไปอยู่ที่บ้านอีกมาวัดแล้วก็ยังจะโง่ อ, อีกไม่รักษาโรคสู้ตายสู้ตายสู้ตายอย่าให้มันมีตัวนี้นี่งมงายตัวนี้งมงายในความงมงายเนี่ยจิตเนี่ยมันบูดแค่นี้เนี่ยที่นี้เรามาปฏิบัติทำํำเราจะมาตัดกิเลส กิเลสมันอยู่ที่ ส, สมองที่ความรู้สึกตัวนี่ตัดออกแล้วก็มันไม่มีทากรรมก็จะไม่มีความพอใจพี่เขาว่าอย่างนี้นะอ่านว่ายัางไงอ่านให้มันชัดทำไมดิเออพิฆเวดูก่อนพิสุตังหลายโยกอตัตถานะกะกาวว่า เจตนานั่นแหละคือตัวกรรมอัธิข่าวว่าธรรมนี้เมื่อไหร่มีเจตนาจึงเรียกว่ากรรมถ้าไม่มีเจตนาไม่เป็นกรรมเราทำเฉยๆนี่เป็นสัพทว่าเขาเรียกว่ากตัตตากรำในบางวันจะสอนเรื่องกรรมสิบสองให้ในความหมายนะกรรมมีอยู่สิบสองแบบกรรมค่อยกรรมแรงชนะกักรรมอุปปีและก็กรรมอุปตรมพุทกักรรมกตัตตากำกรรมเป็นศัพทว่า คือถ้ามันยึดมากมันก็แรงแรงกรรมเนี่ยถ้ากรรมค่อยๆมันค่อยยึดเบาๆจิตเนี่ยนั้นส่วนมากถ้ามันสะใจมันคือมันติดเยอะชอบอันนี้มากๆเห็นมันก็ติดมากบางทีมันคลั่งใครจงเรียกว่าสาวกบางทีนะสาวกอันนั้นสาวกอันนี้สาวกผีแดงสาวกคาราบายจะมีรูปหวัปวควายข้างหลังเขาจะทําไปอ่ะ พอแล้วมันอยู่ที่ถ้าเราไม่มีเจตนาเราไม่ชอบมากมันก็ไม่เป็นอะไรเนี่ยมันก็จะไม่เป็นกี่เลสผอไม่กี่เลสหน่ยมีก็ไม่มีการทํากรรมก็ทําเป็นสักแต่ว่าแล้ววิบากมันก็มีผลไม่มีผลน่ะทําไปฉันไม่ได้รักใครนะทํำไปไม่ได้ชังใครนะไม่ได้รักใครไม่ได้ชังใครทาใจสบายทําสักแต่ว่าไงไม่ได้เมารูกรถกลิ่นเสี่ยงในนี้ยมันก็ไม่ส่งผลมันไม่มีวิบาก พอมีบาตมีผลพบเดี๋ยวหน่อยมันก็เป็นกิเลสอีกมีความอยากเอาอีกมันจะวุ่นวนไปมาเนี่ยเราม า, าปฏิบัติตัดซะแต่ตรงไหนก็ได้ชีวิตเนี่ยที่คนปฏิบัติตามหลักนี้แล้วเข้าใจตัวนี้เขาตัดกิเลสอันนี้คืออันนี้อันนี้ไม่ให้มีในอันนี้พอไม่มีอันนี้อันนี้ก็ไม่มีในอันนี้ก็เป็นจิตล้วนๆจิตล้วนๆขาวสะอาดจิตว่างๆไม่มีอ่ะ ทำด้วยจิตว่างทํางานด้วยจิตว่างว่างจากโลภะโทสะโมหะจิตมันว่างไงเขาเรียกว่าสุญญตาจิตว่างสุญญตาจิตมันวงว่างทําด้วยจิตว่างถ้าจะให้มันว่างเลยคนใหม่ๆนี่มันไม่ว่างหรอกมันต้องรู้ตัวไว้ดึงไว้อยู่กับความรู้ตัวถ้ามีสติแล้วรู้ตัวอยู่พอมันจะไม่ไหลไปกับอารมณ์แต่สุญญตาหมายถึงการรู้แจ้งแล้วมันถึงเป็นศูนย์ แต่ใหม่ๆก็ให้มันว่างๆไว้มันสูนย์น้อยๆมันระวังตัวอยู่ที่นี่ขยับแล้วนะจิตของคนเนี่ยเขาเรียกว่าที่มันผูกไว้เนี่ยพอมันเข้าไปอยู่ข้างในมันเป็นกิเลสมันอยู่นานแล้วมันอัดแน่นแล้วมันไม่หลุดแล้วมันเกาะเกี่ยวจิตเอาไว้มันผูกไว้เลยน่ะเขาเรียกว่ามันจองกระถิ่นไว้เลยในใจเราเนี่ยคือเขาเรียกว่า อ่านว่ายัางไงเนี่อ่านว่ายัางไงอือเดี๋ยวนึกว่าตัวหนังสือไม่สวยนะคิดว่าน่าจะอ่านนะแต่ยอนี่จะมีสิทธิ์นะอันนี้มันจะผูกใจเราไว้คือมันเข้าไปเนี่ยมันรับรู้ทีแรกรับรู้น้อยๆน่อยๆมันเป็นเรื่องมัดไว้เลยเนี่ยมัดใจเราไว้เลยมันไม่ออก่ะแล้วก็ติดแล้วก็หัวสุกหัวสุนทําการทํางานทานั้งเงินทองหาเพื่อ อ, อันนี้แหละเดี๋ยวนี้เพื่อสนองความอยาก มันเป็นอารมณ์อย่ากเฉยๆเนี่ยอิสเหน่อยแล้วก็ตายไปแล้วก็จบไปมีพ่อมีแม่เอาไปไม่ได้มีเงินมีทองมีข้าวมีของมีความรักความชังมันเป็นความรู้สึกขณะที่มีชีวิตอยู่ละแล้วเราไม่เกิดการชำระล้างอันนี้มันก็เลยเป็นแบบนี้พอตายไปก็ไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรดูดังว่าท่อนไม้แล้ท่อนฟืนเผาแล้วก็หายไปมีไฟเราจุดจิตติดไฟขึ้นมาชีวิตเนี่ย นามก็คือไฟรูปก็คือคืออะไรนามคือไฟรูปคือเอที่คือกระดูกไว้ถูกป่ะถ้านามคือไฟรูปก็คือฝืนอะไรวะเ <c oughs> ปลเปียกไม่เคยเจอเลิกดีกว่า <c oughs> สีม่วงด้วย อันจันเรื่อเอาใหม่ก็น่าไปเนี่ยมันเป็นความคิดเข้าใจไม่เนยเนี่ยเมื่อกี้มันเป็นความแบบเรสัมผัสเรื่องแต่พอหนึ่งเขาเฮ้ออันนี้มันาร้องนะความคิดมันจะเกิดขึ้นอีกเนี่ยแล้วก็ตกเป็นความคิดความอยากเนี่ยเป็นธาตุมันเนี่ยที่เราไปเนี่ยเราเลกก็คือเลิกแต่ลราติดอกใจมันอยู่เน่ยเห็นขางคนกินโอเมก้าินนเหนะเอาอีกกินเหมือนพิจารณาแต่ความเปจริงเคยชมรสชาติอยู่นี่แหละ ถ้าลงตาเนี่ยเลยเกทีเดียวจบไปเลยเนะี่ยไม่มีเว้น ไ, ไ, ไว้แต่มันร้อนกินจบจบรล้วคืจบนะคนก็ช่วยชมแก้วก็จะมีแบบแปลกๆแบบนั้นแบบนีมีมตีนนู้ น, นตีนี่นะลุงตาชอบใจอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งวันที่อะไรเขาเชิญไปฉลองนะเดิมนะงจงเจริญจงเจริญท่านไม่ไปเลย ท่านไม่ชอบแต่งตัวแบบนั้นท่านก็ไม่ไปเลยไม่เข้าร่วมวงจนผู้ ว, ว่าไม่ค่อยพอใจมีงานในนั่นผู้ ว, ว่าไม่มาเลยเชิญผู้ว่าไม่มาเพราะอะไรเพราะไม่ไปดื่มกับเขาคือท่านจะไม่ชอบแบบนี้แต่ไหนแต่ไรเนะ่ยที่รู้เรื่องเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าเป็นงานลงตายเองเชิญเขามาท่านชีวิตเราเนี่ยถ้ามันติดมันเกาอีกเอาอีกนะี่ยจิตมันจะติดท่านอย่าให้ไปติดกับใครรู้เท่าทันท่านบอกว่าให้อยู่กับความจริงของชีวิตหนึ่ง มันเป็นรูปเป็นร่างกันมาแล้วสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีอยู่สิบชนิดเวลเขาแยกอันนี้ออกมาเนีที่ <c oughs> จริงถ้าเข้าใจตัวนี้กระดับได้เลยเนี่ยไม่ต้องแต่เขาพูดว่าดูเหมือนที่ดูเหมือนที่นี่ยตัวที่หนึ่งคืออันนี้อ่านว่ายังไงเออสั ก, กากสกกายะ ทิดิเข้าไปอีกหน่อยความเห็นว่าเป็นกายกูอะเมื่อไหร่เราจะเห็นว่าเป็นรูปเป็นน้ําเดี๋ยวนี้เห็นว่าเป็นกายนะเป็นกายกูนะนี่กายของกูตัวกูติดอยู่ในนี่มันติดอยู่ในกายอะมันไม่ออกเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะสลายตัวนี้ก่อนกิเลส ข, ของผู้บรรลุธรรมในตัวแรกคือตัวนี้ เอาตัวนี้ออกทว่วสำคัญมันหมายนี่แต่ก่อนเราปฏิบัติทเวลาเราปฏิบัติแล้วเรากลับไปรู้สึกปล่อยวางอะใครว่าอะไรก็เท่านั้นแะความยึดความสำคัญมั่นหมายนี่สักกายพิฐิความเห็นว่าเป็นตัวกูของกูนะเห็นสักกายพิธีคืออะไรคือการเห็นขันห้าขันห้าได้เกี่ยอะไรนะหนึ่งรูปสองเวทนาสาม สัญญาสี่สังขารห้าวิญญาณเห็นว่าเป็นของเที่ยงเราติดรูปไงติดเวทนาถ้าเมื่อไหร่จิตเราว่างๆมันปล่อยวางมันไม่ติดความคิดความจําเนี่ยมันไม่ได้ติดขันห้าละมันไม่ได้เห็นความเป็นห้าว่าเป็นตัวตนตัวนี้เนี่ยบางคนวะโอ้ยฉันยังฟุ้งซ่านอยู่ความฟุ้งซ่านมันจะหายไปตอนนี้นี่ตอนขั้นที่แปดนี่ นานอยู่นะแต่ฟุ้งซ่านทั่วไปก็จะดับผอมลงเรื่อย ๆ, ๆแต่นี้มันจะฟุ้งซ่านเรื่องธรรมะธรโมเรื่องอะไรแต่เนี่ยพอมันจะดับมันจะขยู่ขั้นตอนนี้ใกล้ๆจะบรรลุอรหันต์งั้นจะไปกลัวฟุง้งซ่านนะโอ้กูก็ใกล้ๆ้ต่นี่เดี๋ยวถ้าฟุ้งซ่านไปท่วงก็แย่นะอวิชชาอยู่นี่นะอวิชชาคือความรู้แจ้งแบบสนิทเลยอวิชชาคือทําลายตัวนี้ก็คือหมดเลยแหละ ถ้าเป็นหม้ออย่างที่ว่านะ่ะปุ๊บเนี่ยก็คือล้างแม้กระทั่งกลิ่นมันก็ออกนะอ น, นี้ไม่มีกลิ่นเลยเป็นหม้อใหม่เลยเนะี่ยเอาดวตาว่างเว้นนี้นะอันนี้สามดาวอันนี้ห้าดาวทีนี้ตั้งตทนี้ไปเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่โตลงมาเทนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่โตนะเนี่ยมันออกยากนะเนี่ยแต่นี่มันจะง่ายพอมาเทนี่ปุ๊บตัวที่สี่เนี่ยมันจะเป็นตัวนี้อีก น, นี่ เขาไม่ใส่ตัวนี้นยะโลภโกรธหลงพระสวดาบันเนี่ยจะทำอันนี้ได้เนี่ยแต่เอาโลภกดหลงยังห อ, อกไม่ได้นะยังมีอยู่เนี่ยตัวนี้นี่แต่ตัวนี้เขาเรียกว่าอันเบื้องลึกอันเนี้ยทีนี้ลูกตาก็จะมาพูดเรื่องผู้หญิงเนี่ยอันนี้ปูพื้นฐานให้เรารู้ว่าเขาจะทำเรื่องอันนี้ แต่บางทีถ้าเราไม่มีความรู้พื้นฐานก็นยากอยากเล่าเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งเขาออกบวชเอาสมัยปัจจุบันหรือเอาสมัยอดีตเอาสร้างจังหวะสร้างจังหวะอย่าเลียวหน้าเลี้ยวหลังตั้งใจทําดีดีเอาผู้หญิงสมัยพุทธกาลนะเอาให้ผู้หญิงนั่งคัดสมาธิก็ได้นะตั้งใจแต่จะเล่าผู้หญิงให้ฟังสักสองคนนะ น่าจะทันเวลาผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยบรรลุทำง่ายเพราะชีวิตเขาในอดีตเนี่ยเขาไม่ค่อยสนใจความงามในตัวเขาเองท่านที่เขาเป็นคนงามนะคนสวยงามแต่เขาจะตัดผมตัวเองเนี่ยถวายพระเขาไปทำอะไรผมเนีผมม่ธรมามานียาเนะยขาตัดถวายพระไปดวงตาไปเห็นโยมคนหนึ่งนะ สมัยปีสองพันห้อยสามสิบหกเนี่ลวงตาไปแสดงธรรมที่บ้านจ่าสารธัญบุรีเห็นเมียเขาเขาจะตัดผมผมของเขาเนี่ยเขาจะให้เป็นประโยชน์คือผมเขาก็ตัดตัดแล้วเขาเอาไปเข้าไปเลยเหมือนอยู่ในหมอนน้อยแล้วเขาไปเย็บเย็บเย็บยเยบแล้วหัดหยเอาไว้สําหรับเสียบเข็มแต่ผมเขาจะอยู่ในนั่นแ่ะเขาทาเป็นอันเดียเอาไว้ เอาไปถวายวัดแต่คนคนนี้คือเหมือนกันก่อนจะบวชเนี่ยเขาจะตัดผมเขาถวายตัดผมถวายละแล้วท่านจะไปใช้ไปยัดหมอนยัดนุ่นยัดอะไรก็ว่าไปเนี่ยตัวเขางามอะแต่เขาก็ตัดผมถวายคือเขาไม่สนใจใจดีเขามองแล้วเขาไม่ได้สนใจเหมือนพวกเราพวกเราเนี่ยติดผมติดผมติดขนติดเล็บติดฟันติดหนังอ่ะผมต้องอย่างงั้นผมต้องอย่างนี้เนี่ยนะ บางคนมาอยู่วัดเนี่ยเพิ่งลืมเอายาย้อมผมมาผมมันงอกมาสามวันมาลากมันเริ่มขาวขาวขึ้งแล้วผมเนี่ยเนียตัวนี้ก็ดำๆอยู่ไปมันมันงอกเพิ่มออกมานะบางทีก็ต้องฝากคนไปซื้อมาหน่อยยังอยากงามอยู่่ในวัดในวาความคิดนะมันเป็นไปนหมดนะเขาปฏิบัติธรรมเขาก็เลยบรรลุทำง่าย เราเียว่าคนสั่งสมบรารมีมาอีกคนหนึ่งนะ่ะติดความสวยความงามเอ๊ะ <It. S 1> สวยติดงามเนี่ยติดมากบวชมาแล้วก็ยังต้องแต่งเนื้อแต่งตัวอยู่ไม่ได้ศรัทธาที่บวชแต่เพราะเห็นว่าพ่อแม่พี่น้องญาติโกโหติกาเข้าออกบวชกันหมดนะ่ะเพราะเขาออกบวชหมดแล้วไม่รู้จะอยู่กับใครก็เลยต้องบวช ด, ด้วยแต่พอบวชแล้วยังไม่ได้สิ้นนะเอามาบวชเลยนะแตลับแต่งหน้า กระจกบานเล็กบานใหญ่เอามาหมดนะนะแบบกลมแบบเหลี่ยมเอามาหมดมาเปิดคนเ้ามันขนาดนั้นน้องดีมินาซ้าเนี่ยเดินมาเนี่ยลืมเอากระจกมาเดินผ่านห้องเก็บผ้านะนะมันมีกระจกงองก็ยังไปสองดูอเนาดูกูบ้างแหะนะต้องดูอ่ะดูที่มันติดไหง เ แ, แต่งเนื้อแต่งตัวเคยมีแว่นมีกระจกมีอะไรสองคนนี้ก็เหมือนกันนะแล้ว เ, เขาคือใครมีพื้นฐานไหมถ้าสอนอยู่ที่ศรีลังกาเนี่ยเขารู้จักหมดนะั้นเล่าแบบนี้เนี่ยตอบได้ดีนะชื่ออะไรเนี่ยวราเขามาเรียนแต่เขาจะเก่งมากเรื่องความจำเนี่ยคนไหนไปเรียนหนังสือธรรมะพุทธศาสนาเนะี่ยน้องอ้โหถือว่าน่ายกย่องสรรเสริญ เรียนรู้เนี่ยเขาสร้างเสริมมากกว่าเรียนหาวิลาีแต่คนไทยนีย่มันเห่อไปทางนูน้นไม่ได้เห่อกันเรียนเรื่องความจริงของชีวิตนั้นการศึกษาทุกวันนี้ยังถึงไม่มีประโยชน์อะไรสาหรับคนฝึกวิชาทักษะก็คือคําว่าไม่มีประโยชน์เลยก็คือฝึกให้อยู่หา ก, กินเรียนสูงระดับด็อกเตอร์กับชาวบ้านจักสารความรู้เท่ากันเพื่ออามาหา ก, กินเฉยเฉยจะไมไ่เอาไปรับทุก ถ้าเราเข้าใจสัจจธรรมเนี่ยโอ้เราไม่อัศ จ, จรรย์เลยใครเป็นยังไงเนี่ยแต่ถ้าเราไม่เข้าใจสัจจะไม่อย่างว่าเราก็อยากเป็นอยากมีคนที่ว่าถึงเนี่ยคือเขาชื่ออ๋อก่อนที่จะพูดถึงคนที่หนึ่งเราพูดถึงคนที่สองก่อนนะคนที่สองเป็นเมียเขาเอาเมียเขาดีกว่าวะมาบวชเมียของวิสา ขาอุบาสกวิสาขาอุบาสกบูชัอุบาสกเคยได้ยินนะเขาชอบไปฟังธรรมสมัยหนึ่ง บ, บุริเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์สเสด็จไปยังกรุงราชจะกรกรุงราชจักรมีสวนตาลเต็มเลยสวนตาลมาแสดงธรรมใต้ต้นตาลนี่อันตรายนะพูกสุขมันลงมานี่ ลุงตายยังหวัดเสียวชีวิตเลยนะชีวิตเนี่ยเป็นพระนี่ยังเคยขึ้นต้นตาลนะไปตัดลงมาให้เนนกินทุกขึ้นไปได้ยังไงต้นตาลไม่ใช่แต่เจี่ยตําๆไปมองดูต้นมันทุกวันนี้เขาโอ้ไม่ธรรมดาเนอะกูเลยว่ะเกือบตายขึ้นไปได้ยังไงเน่ยทุกต้นเลยอัน้าคขมาพันพบต้นมันแข่งพบพบพบพบปีนขึ้นไปนะมันเคยขึ้น่สมัยยังไม่บวชพอบวชก็เลยขึ้นเพราะมันหล่นโต้มโตมใส่อยู่เรืย นี่ก็เหมือนกันเป็นแสดงธรรมที่สวนตานนุมคนมาฟังตรงนั้นน่ะสิบสองหนหุ่แสนสองหมื่นคนมาเยอะมากคนมาฟังหนึ่งแสนสองหมื่นคนตำรานเนี่ยตำราพระพุทธแสดงธรรมปรากฏว่ามีคนเข้าใจเป็นพระอรหันต์เป็นสระสอธาคามีพระสุธาคามีพระโสดาบันรวมแล้วแสนหนึ่งอีกสองหมื่นน่ะตั้งอยู่ใน พารัตนไตรคือยอมรับนับถือพุทธศาสนาลองคิดเล่นล น, นะเนี่ยนอกบันอกหลอบคิดนอกหลอบพระพุทธเจ้าท่านเจตโกนไปไกลขนาดนั้นว่าแสนสองหมืนนี่เนาะรือท่านมีลำโพงใหญ่จเจริญพรหรือเขาไปเล่าต่อๆกันไปหรื อ, อยังไงอันนี้พูดให้ฟุ้งซ่านนะเนี่ย มันไม่ธรรมดาแล้วระดับพระพุทธเจ้าก็ต้องเทศได้แต่นอกแสนสองหมืนคนเนี่ยพระโ บ, บรราลุทำก็คือคงจะเยอะนั่นแหละปรากฏว่าในจํานวนเนี้มีวิสาทาวาสกไปด้วยเขาไปฟังด้วยวันนั้นน่ะพ่อฟังธรรมะครั้งแรกบรลุโสดาวันเลยพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงพูดถึงเรื่องสังกรรยายทิฐิพูดถึงเรื่องสังโยชน์ คือกิเลสที่มัดใจคนเนี่ยอันหนึ่งคือความเห็นว่าเป็นตัวกูของกูเนี่ยมันติดเห็นไหมเวลาเดินจุกรมกฤตกลับไปกลับมาอย่างนั้นแหละปรุงแต่งมันออกไม่ได้ถ้าคนไหนทำจิตมันให้ว่าง <c oughs> ให้ว่างได้เนี่ยสภาวะธรรมวิจะปรากฏเกิดขึ้นนะถ้าตัด ก, กิเลสตัวนั้นออกได้เขาฟังครั้งที่หนึ่งเข้าใจ ทีนี้ก็เลยคลานเข้าไปสนทนากับพระศ า, าสดาว่าเมื่อกี้นี่เกิดสว่างขึ้นมาเกิดการู้แจ้งขึ้นมาพอไปฟังพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าวัดมาถูกทางแล้วน ะ, จะเจริญสติให้เห็นให้มันชัดขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าก็พูดต่อไปสักเกิดบรรลุสกิทาคา ม, มีเห็นไหมทะลุไปอีกนะมาถึงเนี่ยทะลุมาถึงตัวโลกโกโลงขั้นสี่แล้วเนี่ยสักพักหนึ่งก็นั่งอยู่กำลังชื่นชมมีคนเข้ามาถามปัญหาอีก ท่านก็นั่งฟังด้วยทะลุลงมาอีกนี่ถึงขั้นหกมันแจ้งสว่างดับไปเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นชดเป็นชดไปนะบรรลุเป็นพระอนาคา ม, มีพระอนาคา ม, มีนี่ไม่มีความรู้สึกแบบชาวบ้านในการคองเรือนเกิดความเหนื่อยหน่ายหลังจากนั้นก็เดินกลับบ้านนี่จะพูดเรื่องผู้หญิงนะเนี่ย จะเดินกลับบ้านพอเกินกลับบ้านเดินทุบๆกลับไปท่านภรรยาที่อยู่ข้างบนนั่นแะภรรยาเนี่ยตัวเรื่องมันก็คือภรรยาของเขานี่แหละมองเห็นน่ะอืวันนี้คุณพี่พี่เสถษฐีเขาคุ้นกับพระเจ้าพิมพิสารนะเนี่ยคนเนี้ยไปฟังเทศมาเพราะว่าพระเจ้าพิมพิสารนี่บอกว่าพระพุทธเจ้าถ้าได้บรรลุอลหรหันต์นี่ยจะลืมเสด็จมาในเมืองเขาพระเจ้าด้วยที่แรกจะ ผ่านมาเนี่ยจะแบ่งนครให้ครองครึ่งหนึง่งเพรได้ทราบว่าเป็นฟ้าชายเป็นสีธะตะมาบวชท่านมีปัญหาอะไรหรือชีวิตนี่ถึงอยากออกบวชทําไมท่านไม่ครองเรือนมาอยู่กับข้าพเจ้าก็ได้ข้าพเจ้าจะให้ครอง แ, วแวคว้นนั้นแคว้นนี้ท่านมองไม่เอาถ้าอย่างนั้นขอพรหน่อยเถิดถ้าเกิดบรรลุธรรมเข้าใจธรรมะให้เสด็จมายังแคว้นของข้าพเจ้าท่านจงแสดงทำอันเป็นอริยะโลกุตละผลโลกผลทุกข์นั่นนะ่ะ ให้กับข้าพเจ้าฟังด้วยเถิดที่นี้พระพุทธเจ้าพอบรรลุธรรมท่านมาแล้วทีเนี้ยกับพร้อมกับพระพิสุสงฆ์หมู่ใหญ่มาแสดงธรรมาเนี่ยทัานคนจึงฮือหามากนะไปฟังพระพุทธเจ้าคอนเสิร์ตแอดคาราบาวก็ไม่ป่านแสนสองหมื่นดะีนะไม่เคลื่อนแจ็คสันก็ไม่ต้องออกมาเทียบคนดูที่เขาอยากฟังธรรมอยากบรรลุธรรมเนี่ยมากกว่าอยากสนุกสนานเพลิดเพลินนะสมัยก่อนเนี่ยแต่สมัยปัจจุบันเนี่ย มันฟุ้งซ่านมันเป็นเรื่องอื่นไปซะแต่นี่ก็เห็นนี่ยเมียของท่านเนี่ยยืนอยู่ข้างบนชั้นสามมองมาเาท่านคุณพี่กลับมาแล้วเนี่ยไปฟังธรรมกลับมาเนอะแต่วันนี้ทำไมไม่หน้าตาเบิกบานแจ่มใสไม่มีอะไรมาเลยอะ่ะเหมือนข้อตกกลับมาเนะ่ะสำรวมเดินสำรวมมากเตรียบร้อยเข้ามาบริเวณอนาเขต แต่เขามองมาเห็นแล้วเขามาเข้าพยายาพีอ่อยู่ใกลยกมือให้เห็นเนี่ยแต่เขาก็าเฉยไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาขยับมาใกล้เดี๋ยวลงไปหาเขาเองเถอะรงไปต้อนรับที่ประตูลงไปที่ประตูเขาก็าไม่ชายตา ม, มองธรรมดาเฉยๆล้างเท้าล้างอะไระเฉยๆอ้าวแปลกไปเดี๋ยวตอนกินข้าวหากับข้าวหางกับน้ำมาเขาคงพูดคุยด้วยแหละ กินข้าวกินน้าก็เฉยหือนึกได้ธรรมดาผัวเมียเนี่ยคงจะไม่มีตอนนี้ก็คงตอนเข้านอนนะเอา้าไปนอนดีกว่าวะเขาคงถามคงคุยกันด้วยอยู่แหละเพราะไปนอนในเตียงเดียวกันถ้าไม่พูดไม่คุยกันหน่อยตอนกินข้าวเขาคงคุยตอนบนเตียงคงจะถามบ้างอะไรบ้างเป็นน้องเนยง้ออย่างนี้นะคงจะมีเนะี่ยเป็นยังไงบ้างน้อไปอะไรมาอยู่พี่ไม่อยู่บ้านเลยปรากฏว่า นั่งรออยู่ในห้องได้ยินคนใช้ขึ้นมาเพราะว่าท่านเสถียีบอกว่าให้มาเอาหมอนกับเสื่อไปนอนข้างนอกจัดห้องให้ท่านใหม่เน่ามันเป็นอะไรหนอเธอไปตกหลุมรักของใครเนี่ยไปฟังเทศมาเนี่ยไม่ได้ต้องมีคนอื่นมีหญิงอื่นแน่แน่ก็เลยถามว่าออกมาถามตรงตรงเลยตื่นเช้านะอดทนเถอะนะตื่นเช้า ผมมาแอบดูอยู่แหละ ว, ว่าท่านเศรษฐีทําอะไรท่านจะมาเปิดรูปดูไหมในกล้องถ่ายรูปของเราเนี่ยสไลด์มันดูมไหมปรากฏว่าเห็นแต่สร้างจังหวะอยู่ในห้อง <c oughs> เป็นไปได้ยังไงเนี่ย <c oughs> นั่งสร้างจังหวะเฉยอยู่เนี่ยอะไรของเขาหนอ <c oughs> ตื่นเช้ามาจัดกับข้าวกับน้ําเสร็จพว ก, กรอเขามากินพอเขามาทาน เคยไปถามดูท่าพี่ถามตรงๆเลยนะเป็นภาษาบาลีถามว่าพี่มีคนอื่นหรือพี่มีคนที่สองนอกจากฉันหรือท่านก็ช่วยนะท่านไม่ใส่ใจชีวิตครอบครัวแล้วหรือชยนางคนนี้ถ้าก็เริ่มเกิดอารมณ์ไม่ได้ยินเหรอน่นท่านเศรษฐีก็ว่า ผมมียอมแล้วโอ้มันน่ายอมนะผู้หญิงเนี่ยน่ายอมจริงๆริงนะมิถ้าเขาโหดร้ายเนี่ยมันน่ากลัวนะน่ากลัวมากตอนที่แรกก็น้าดีอยู่หรอกแต่ตอนนั้นน่ากลัวยิ่งตอนเจอหนีออกบวชยิ่งอันตรายเนี่ยเนี่อย่างโรตันแล้วเคยเล่าให้คนฟังนะเมื่อมีลูกศิษย์คนหนึ่งหนีออกบวชนะที่ภาคเหนือนะภรรยาเขาจับขาเขาไว้ กอดขาเขาแน่นเลยเขาก็ดึงขาลากมาลากมาลากมานะเขาแกะออกมองตาติดเครื่องรถเนี่ยเครื่องรถปีกับเรื่องคือจะหนีอ่ะภรรยาเขาไม่ให้ไปไม่ให้ไปนไม่ให้ไปเขาไปลาภรรยาไปบวชไงไม่ได้ผิดพ้องหวงใจอะไรเลยแต่เขาจะไปเขาเกิดเข้าใจธรรมะขึ้นมาจะหนีเนี่ยโอ้ไม่ได้เลยโยมนะตมาว่าโยมให้โอกาสเขาบ้างเถอะ เขาจะไปเสวงยนเขาพระไม่เกี่ยวว่ะไม่เกี่ยวอย่ามายุ่งเรื่องครอบครัวมาเนะอะเออกูเกินไปหรือเปล่าเนี่ย ไ, ได้แต่ติดเครื่องรถแล้วพระก็วิ่งขึ้นรถหลายรูปนะสามสีรส่รูปขึ้นรถวันนี้ก็แกะออกดึงมานถลอกปอบเปลือกมานะผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ปล่อยขาเขาอุ้มขาพี่เขาเนอะผู้ชายน้ําตาไหลาพากเลยนะเขาบอกว่าถ้าหลวงตาไม่มาด้วยเนี่ย ผมคงไม่รอดเพราะผมคงใจอ่อนเนี่ยโอ้น่ากลัวอันนี้ก็เหมือนกันเนะ่ยทำไมนิ่งเฉยเนี่ยือไปมีข้างนอกมาใช่ไห ม, มท่านบอกว่าถ้าจะไม่ตอบถ้าจะเฉยอยู่ด้วยการเฉยซนางก็คงจะอกแตกตายคงคิดว่าแต่ถ้าตอบไป ธรรมะที่เป็นโลกุตตรธรรมเนี่ยนางยอมรับได้หรือสิ่งที่จะตอบ ไ, ไปเนี่ยอยากกันนั้นเลยบอกเขาไปเถอะจากนั้นก็บอกไปเลยว่าดูก่อนน้องหญิงเนื่องจากการที่พี่ไปฟังธรรมมาเมื่อวานพี่เกิดบรรลุธรรมการบรรลุธรรมคือยังไม่เคยได้ยินนะยังไม่เคยได้ยินได้ฟังว่ามีการบรรลุธรรมบรรลุธรรมคืออะไรเนี่ยไม่เคยได้ยินนะ่ะ นานี้ได้ยินคาว่าบาลุทำเกิดขึ้นจิตตื่นขึ้นมาเลยเดียไม่เคยได้ยินว่าผัวพูดเรงบาลุทำเพราะอยู่ด้วยกันก็มีแต่คาสัตว์คําจริงเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาไม่ปกห้องมองใจอะไรกันนะพี่บรลุทำพี่รู้แจ้งพี่ดับทุกข์ได้ดับความรู้สึกความโลภความโกรธความหลงจนกระทั่งพี่เหนื่อยหน่ายในการคลองเรือนอารมณ์ชาวบ้านแบบครองเรือนเนี่ยพี่ไม่มีแล้ว พี่ดับได้ตั้งแต่ตอนเที่ยงเมื่อวานฟังทำครั้งที่สามมันสว่างไปเลยตอนนี้มันก็ปกติมันไม่มีอะไรอ่ะมองทุกอย่างเป็นธรรมดาพี่ขอพูดจากใจจริงนะสมบัติเรามีคนละสี่ 400, 000, 000, 400รนะ้อยใช่ไหมมีสี่ร้อยล้านสี่ร้อยโกดนะเมียสี่ร้อยโกดธัวสี่รอยโกดเอามารวมกันเป็นแปดร้อยล้านพี่ตั้งใจจะ ย, ยกให้น้อง เป็นผู้บริหารคนเดียวพี่ขออยู่ด้วยในฐานะเป็นน้องชายได้ไหมปอกใจพี่ขออยู่ในฐานะเป็นน้องชายทับสมบัตินให้น้องทั้งหมดเลยน้องดูแลซะหรือไม่ทีเนี้ยเพราะว่านางนี่นิ่งเงียบนะหรือไม่เอาอย่างนี้ไหมพี่ยกสมบัติทั้งหมดเนี่ยแปดรอยล้านให้น้อง แล้วน้องอยู่ในฐานะลูกสาวของพี่ก็ได้หรืออยู่ในฐานะที่เป็นน้องสาวของพี่ก็ได้น้องแต่งงานใหม่ซะถ้าน้องมีความปรารถนานะพี่จะถือว่าพี่มีน้องสาวแล้วก็มีน้องเขยแต่ทรัพย์สมบัติเนี่ยพี่ขออาศัยอยู่ด้วยเฉยๆในบ้านหลังนี้นางซึมเลยนะไม่เคยได้ยินนะ่ยคำพูดจะมาแบบนี้เนี่ย แต่เขาคงพึดซึ้งกว่าหลวงตาพูดนี่แหละเนียบเสร็จปุ๊บนางก็หันหลังเดินกลับขึ้นไปห้องคืนนั้นนางนอนไม่หลับนอนไม่หลับแต่ว่าสามีเนี่ยชื่ออะไรนะวิสาขาก็นอนไม่หลับเช่นเดียวกันแต่อยู่ด้วยปีติเอิบอิ่มโล่งโปร่งสบายแต่คนนั้นพงษ์สานทำไมเป็นเช่นนี้หนอ อนุภาพพระธรรมนี่มันร้ายแรงขนาดนี้เลยเหรอทำให้คนเป็นสุขดูสีหน้าท่าทางของคุณพี่ตอบด้วยความรู้สึกเออบิมพ่องไสเป็นไปได้ปานนี้หนอ่อยไม่ได้ละรอให้สว่างสักหน่อยนิจะไปเจอเขาคุยกันให้รู้เรื่องไปเลยหลังจากนั้นฮะไม่อีกอกี่ชั่วโมงขอบฟ้าก็เริ่มแดงขึ้นแดงขึ้น ทอแสงตะวันสะอาดสองแสงเงินแสงทองโอ้บรรยากาศนะเนี่ยนางก็ลุ ก, ลกค่อยๆลุกขึ้นมาแรงฝันก็เดินมาก็มีความรู้สึกเออพอเดินมาเนี่ที่ไหนได้วิสาขาเดินจุกมลมแล้วตั้งแต่ที่สามแเน่นนะทําความเพียรแลว้วมาเห็นเนี่ยโอ้มันเป็นไปได้ปานนี้เหรอตื่นดึกลุกเช้าไม่ได้อยู่กับความฟุ้งซ่าน คนตื่นมาได้ยอยู่ด้วยกิเลสตนาราคะถูก ด, ด้วยความรักความหลงนะ่ะแต่นี่ไม่มีเขาช่างสงบจริงหนาะเข้าไปแล้วก็เลยตัดสใจไหว้าสามีอ่ทำอะในที่ท่านตัดสู่ทำอะไรที่ท่านรู้แจ้งเนี่ยเขาพะเยาอยากทราบนั้นด้วยอยากถามหน่อยว่าสิ่งที่ท่านรู้มาเนี่ยผู้ชายท่านนั้นหรือจึงจะรู้โอ้หาไม่ได้น้องหญิง ผู้หญิงก็รู้แจ้งด้วยถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าขอไปเจอกับพระสมณโคดมโอไม่ต้องไปก็ได้พระสณะโคดมเดี๋ยวนี้เขามีสำนักแม่ชีบวชสำนักภิกษุณีมหาโคตมีประชาบุรีโคตมีเนี่ยไปที่นั่นก็ได้เรามีความปัจจัยอย่างยิ่งเราอยากชวนแต่เราไม่รู้ใจท่านว่าท่านจะคิดยังไงอยากชวนให้ท่านไปบวช ไปแสวงหามักผลนี่ซะเสร็จปุ๊บข้าพเจ้าตัดสินใจแล้วถ้าผู้หญิงสามารถทรแมบนี้ได้ใครพระเจ้าจะจะรู้ธรรมะที่ท่านรู้แจ้งอ่ะเนี้ยว่ามันเป็นยังไงเนะี่ยอยากรู้รสพระธรรมมาเนี่ยวิสาขาก็เลยส่งเอ s เอมเอไปหาพระเจ้าพิมพิสารบอกว่าภรรยาเขาจะบวชแล้วนะนางที่คนล้ำลือว่าสวยงามเนี่ย หลังจากที่ข้าพเจ้ากลับมาจากฟังธรรมด้วยกับพระพิวิษณ์เมาเมาื่อวานนี้พอมาถึงวันนี้เนี่ยมาเล่าให้ภรรยานี่ฟังเขาเกิดเลื่อมใสเนี่ยเขาอยากจะบวชเขาอยากเห็นธรรมอย่างรู้แจ้งเห็นจริงพระเจ้าพิวิสณ์ว่าแล้วต้องการอะไรขาดเหลืออะไรไหมเหมือนโยมวันหนึ่งเขาถามพระมาถาาว่าเอาโน้นตาจะไปแสดงธรรม ท, ที่ที่โน้นขาดเหลืออะไรไหมเขาถาม บนทางกันเลยว่าเอาเต็นท์หน่อยดินี้เขาก็ถามนะท่านเศรษฐีนี่ดีใจนะที่เมียจะลาจะบวชเนี่ยออกบวชเนี่ยเขาดีใจว่าจะไปแสงหจมหาเสรจฐธรรมแล้วเขาก็เลยบอกว่าอยากได้วอทองวอทองคืออะไรหืมวอทองคืออะไรไม่ใช่วิทยุเหรอวอทองสําหรับ นั่งรู้จักหน้าวอนะเป็นพวกค้างคกขึ้นวอรู้จักนะข้างคกขึ้นวอศัพท์มันรู้เลยเกี่ยวรู้จักเกี่ยวไหมเนเนเนเดูหนังจีนนี่จะรู้หนังเกี่ยววอทองคําเขาว่าจัดการเอาวอให้หน่อยดิไปส่งภรรยาไม่มีปัญหารับทําให้ ยืมยกพระราชวังเนี่ยเขาหามเลยเอามาหามแม่เจ้าไปเลยไปในสำนักพิกษุนีไปแล้วก็บวชปรงผมแล้วก็เรียนกรรมฐานทีนี้ตั้งแต่บวชไปเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็นคนรวยเนาะคนรวยคนสวยคนงามชื่อเขาเอาไหม <c oughs> เอาก็ s อเเมไปไม่ได้หรอกพอบวชปุ๊บเนี่ยคนตอมเลย เขาไปทําบุญทําทานทั้ำนี่คือเขาสงสัยทําไมจึงมาบวชคุณนายระดับเดียวกันกับเขาหนูมาเยี่ยมเดี๋ยวคนนั้นมาเดี๋ยวคนนี้นมานะเดี๋ยวคนนั้นเอาน้องงัวมาเดี๋ยวคนนี้นเอาก้มกุจีมาเนยเดี๋ยวคนนั้นเอาผักกิ้วมาเดี๋ยเอาผักหวานมาโ อ, โ อ, โอ้คนมาเยอะแยะเลยเอาไปมาไม่สงบมันไม่สงบบวชอยู่หนึ่งพรรษาไม่ค่อยสงบทําความเพียรไม่ค่อยได้ เราตัดสินจะเอาสร้างจังหวะดีๆจะนั่งเฉยๆท่านขี่ข้าก็ไปนั่งบุติพอแล้วเนั่งใจดีเด้่พรุ่งนี้อาจจะไม่ได้เทศให้ฟังนะจะปล่อยนั่งสร้างจะงหวะเงาๆนี่จนสามทุ่มเลยน ะ, ะเฉพาะคนที่ไม่ยังไม่เข้มแข็งไม่คนเข้มแข็งก็อย่าไปทำมึงอย่างฮาพอมันจะเริ่มงวดเข้าเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยอันไหนที่ยังไม่ไปหน้ามาหลังก็ฝึกก็้มันได้นี่เอาภนสา ม, มารถนางไปอยู่ใน ขึ้น้ําบดเอาไปอยู่ที่รถบดประมาณได้เดือนหนึ่งนะ่ะไปทําความเพียรเนี่ยนางเนี่ ย, นนยตั้งใจทําปรากฏว่าบรรลุอลหรหันต์ดับทุกข์ได้เดียวสิ้นเชิงเลยรู้เท่าทันความคิดดับความคิดตัดสลุ้สู่ความเป็นสุญยตาดับอวิชชาเนี่ยแยงเลยแล้อยู่บ้านนอกก็ไม่ได้อะไรเลยตัดสินใจกลับเข้ามาในเมืองอีกกลับเข้ามาในวัดนะ่ะ อยู่สำนักสงฆ์ชนบทกีเข้ามาในเมื อ, องในนี้วิสาขาอุบาสิกาเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติต่อเท่าไหร่ก็อยู่เป็นพระอนาคามีได้ยินข่าวว่าอดีตภรรยากลับเข้ามาเลยไปถามไปถามข่าวคือไปสอบอารมณ์เหมือน่ะระดับอนาคามีเนี่ยไปสอบอารมณ์ไปถามขอถามหน่อยนีลองอธิบายสักกายทิฏฐิไอฟังหน่อยสักกาย พิธีคืออะไรสักกายนนางก็พูดให้ฟังเลยสักกายพิธีคืออะไรตัวสักกายะเนี่ยคําว่าความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นยังไงความรู้ว่ารูปน้ําคืออะไรเห็นกายสักแต่ว่าเป็นกายเป็นยังไงเนี่ยนางก็อธิบายธรรมะที่สลายไอ้ความรู้สึกว่าเป็นกายความยึดติดในกายนี้คือต้องอยู่ระดับไหนถามถามทีลนทีละชั น, นนะ ก็ตอบได้ต้องมีวิปัสนาญาณอารมณ์รู้รูป ร, รู้นามรู้ใจลักเห็นการเกิดดับในโูปในนามในสมมุติถามไปว่าทำที่ควรแก่การรู้แจ้งดับสังโยชน์แต่และตัวแต่และตัวเนี่ยคือยังไงเนี่ยอาการมันเกิดแบบไหน ดูดิสามีเขาไล่กาดนะถามแต่คนนี้บรรลุอนาคามีนะเนี่ยแต่คนนั้นเมียในบรรลุอลหรหันต์นึกถามว่าอะไรจึงจะเสมอด้วยดับสังโยชน์ได้ครับอกวิปาาัสนาญาณวิปัสนาญาณยังไงจึงจะรู้เรียกว่าเกิดวิปาาัสนาญาณเขาบอกว่าคือการหลุดพ้นนะคือวิปัสนาญาณในวัดตรงที่มันหลุดพ้นแต่ก่อน เคยติดราคะโทสะโมหะแต่พอเกิดวิปัสนาญาใ น, นวัดตรงที่มันหลุดออกไปเลยความโกรธตั้งแต่มันเกิด น, นี้ขึ้นมาไม่เคยมีเลยไม่เคยกระทบยังไงขนาดไหนก็นตามไม่มีอารมณ์นี้เกิดขึ้นมาความโลภก็เหมือนกันดับหายไปหมดความหลงก็ดับหายไปหมดน่ะมันไม่มีแล้วมันไม่ได้เกิดในใจอีกแล้วผู้ที่สามารถยืนยันว่าวิปัสนาญาณเกิดก็คือคนที่สามารถเกิดวิมุตติไแล้ว หลุดผลเขาเลยถามว่าวิมุตต์ขนาดไหนอ่ะจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นวิมุตต์จะรู้ได้ยังไงว่าเป็นวิมุตติเนี่ยถามดีนะเขาก็ตอบได้อยู่นะว่ามันเป็นสภาวะของความดับเย็นเป็นสุญญตาเป็นภาวะที่ไม่มีอะไรนั่นเขาเรียกว่านิพานวิสาขาเลยถามอีกว่ารู้ได้ยังไงว่าเป็นนิพานอะไรที่เสมอด้วยนิพานเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าเป็นนิพาน นามิสาเขาว่าอันนี้มันถามเกินไปแล้วเนี่ยเกินกว่าธรรมะแล้วถ้าท่านอยากรู้ไปถามพระพุทธเจ้านะไปถามพระพุทธเจ้าถ้ามากกว่านี้เนี่ยเพราะว่าเหตุปัจจัยของธรรมะมันมาหยุดอยู่ตรงนี้ถ้ามันมีกว่านี้มันไม่มีกว่าถ้าอยากรู้ว่าของกว่าเนาี่ยก็ไปถามพระพุทธเจ้าเสร็จพวกก็คุยกันไปคุยกันมาว่างๆเขาก็มาเจอพระพุทธเจ้าก็เลยถามพระพุทธเจ้า เราพุทธเจ้าเลยว่าที่ภรรยาท่านตอบนะ่ะถูกหมดทุกอย่างแล้วเพราะเป็นคนมีปัญญาแม้ต ถ, ถาคตเองเป็นคนตอบก็จะตอบเหมือนอดีตภรรยาของท่านน่แหละเมื่อเขาตอบแบบนี้แบบนี้แบบนี้เนี่ยเขาทำได้ถูกแล้วหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าให้เขาไปแสดงทำแทนผู้หญิงคนเนี้ยมิสุรีโเนี่ยไปแสดงที่โน่นที่นี่นะเขามีชื่อว่านาง นางธรรมทินนาธรรมทินนาธรรมทินนาเนี่ยอยู่ในกลุ่มของสององค์เนี่ยอันนี้พิกษุนีหญิงก็จะเป็นนางปตาจารากับนางอุบลวันนาเถรีนางปตาจารานี่โอ้ยสมบุกสมบันเนี่ยหนีตามคนใช้ไปได้ลูกสองคนเนี่ย เพือนว่าหัวตายตัวเองก็รู้ยังไงกลับมาบ้านก็ไม่ได้ปั่มปั่มเปื่อๆลูกกัวตายตัวหนึ่งก็แรงขาไปกินปั่มปัมเปือๆมากแต่เพื่อนถพัดหลงเข้าไปในเชตวันไปฟังธรรมะพุทธพระเสนาทำก็เกิดได้ดวงตายทำตอมมัก็ไ่รู้ทำเพี้ยนไหมมานั่งให้เรากราบไปประวัติเขาไม่ธรรมดานะเขาทุกมากนะไอเรานีนมีคนไหนเกิดตายบ้างเนี่ย เราทนหูใจไม่พอแม่พี่น้องอะไรตายไม่มีไม่พอจะเกิดปัญญาของเราฟังคนที่สองคนที่หนึ่งเอาคนนี้เอาน้องสาวพระพุทธเจ้านะน้องสาวพระพุทธเจ้านางมีนามว่ารูปรู ป, ปนันดารูปปนนันธาความผู้มีความเพลิดเพลินในรูปคนนี้ติดความสวยความงามติดความสวยมากติดการแต่งเนื้อแต่งตัวมากมายหลากหลาย แม้ไปปฏิบัติธรรมก็เอาเครื่องสําอางไปด้วยเอากระจกไปด้วยเอาโน้นอันนี้ไปแง่งส่องปวดว่ามันห ม, มักง่ามหลายกระดอกกระดี้แย่ติดความงามมากท่านทั้งหลายเคยได้ยินนิทานเรื่องนางนกกระยางเขาวไหมเคยวะอ๋อบ้านนอกหรือแต่ในกรุงเทพมันเคยได้ยินนะนางนกกระยางขาจะเล่าให้ท่านต้ฟังเผื่อท่านจะกวาดขยะดีขึ้น นั่งนกยังข่าวเป็นเรื่องของเทวดาที่บริหารโดยพระอินทร์ือว่ามะขะท้าวมะขะมะนบถ้ามะขะนบเนี่ยมะขะมนบไปเกิดบนสวรรค์นะเขามาเล่าว่าแต่ก่อนเขาอยู่ในเมืองมนุษย์เขามีลสา ว, สาวมีภรรยายอยู่สี่คนหนึ่งสุจิตตาสุธรรมาสุนันทาและสุ สุชาดาสุชาดาแปลว่าเกิดดีสุนันทาแปลว่าเพิดเพลินลินดีสุนันทาสุธรรมมาแปลว่าคนมีธรรมะดีที่แต่งงานกันเขาชอบไปพัฒนาวัดวาอาวาสไปพัฒนาวัดขุดน้ําบ่อก่อสร้างทำนั่นทำนี่ชอบเมียก็จะทําคนหนึ่งทํากับข้าวไป้สอง คนหนึ่งก็ปัดกวาดคนหนึ่งบริหารลูกน้องคนหนึ่งเขามีหน้าที่การทําแต่นางคนสุดท้องเนี่ยไม่ค่อยเอาใจใส่นางสุชาดาเนี่ยอย่างทําสะพานยเนี้ทํามางคุดกับบริหารเมียคนหนึ่งทํากับข้าวคนหนึ่งก็เตรียมคนมาหลายอย่างนะเขาจัดเตรียมเนี่ยก็ดีแหละแต่นางสุชาดานี่ไม่ค่อยใส่ใจมีแต่ทาแป้งมีแต่แต่ง ต, ตัว พาไปปฏิบัติทำด้วยก็ยังว่าแลว่าตอนเช้าปัดกวาดเด้อแบบเข้าไปอาบน้ำซะไปแยงกระจกส่องกระจกนะแต่งเนื้อแต่งตัวมีผมมีเเผาอยู่นะเนหคนอื่นเขาทำดีอ่ะแต่คนนี้มันหลบอยู่เรื่อยดังสุจดานี่ต่อมาชีวิตเขาตายจากโลกนั้นไปก็ไปเกิดเป็นนกขาวเลยตัวเขาเรียกว่านกกระยางขาวนะ พวกตายที่แรกมันจะจำความได้อยู่หน่อยๆนะชาติแรกเนี่ยมันยังไม่ถูกกระทบกระเทือนมากถ้าถ้าสองครัง้งสามครั้งแล้วกะลำบากคุณรู้สึกจะจำได้พระมคมามนกตายแล้วไปเป็นพระอิน์อยู่บนสวรรค์มีนางทั้งสามขึ้นไปเป็นบริวารสุจิตตาสุธรมมาสุนันทาแต่มองไปมุมมหาไม่เห็นเนี่ยสุชดานอง ก็บอเห็นน no ไม่เห็นเลยคนสุดท้องไ่อยู่ที่ไหนมองไปมองมาเอ้าเห็นเป็นนกนางนกก็อย่างเขาทีนี้พระ อ, อินทร์มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทํายังไงเนี่ยน้องนี่จะมาอยู่ด้วยกันได้เขาก็รักรักเขามากก็อยากให้เขาเป็นเป็นบา ร, รมนะีแต่เขาต้องถือศีลเนี่ยถ้าเขาถือศีลแปดได้ชั่วชีวิตเขาเนี่ยเขาจะได้ตายแล้วจะมาอยู่กับพระมรรคในเมืองอินเนี่ยเหมือนเดิม ก็ลยไปบอกข่าวน้องจำพี่ได้ไหมพี่ชื่อนั้นชื่อนี้นะพี่อยากมาบอกข่าวอยากให้น้องไปอยู่ด้วยอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าน้่ยนะแต่ว่าน้องต้องเพิ่มบำเพ็ญบารมีนี่จอมจำตัวเองได้ไหมว่าแต่ก่อนทำอะไรอะน้องไม่ทำบุญทำทานน้องเอาแต่แต่งเนื้อแต่งตัวไม่เอาใจใส่งานหลวงงานลาดงานวัดงานวางงานจิตอาสาอะไรน้องไม่เอาใจใส่เลยเพราะว่าทำบุญทำทานน้องก็ไม่ทำบุญ พักผ่อนไปส่องกระจกเขียนจิ้วทาปากแต่งเนื้อแต่งตัวเข้าห้องน้ําอะไรแบบนั้นมีพผมอะไรอยู่ประมาณ น, นั่นแหละะหัวอยู่เรื่อยๆ เ, เนี่ยเอาแต่ความสวยความงามผลกรรมนั้นตกมันปีนี้ชาติเนี่ยน้องเลยเป็นแบบเนี้ยอยากกันนั้นเลยพี่อยากให้ไปอยู่ด้วยอยากให้ผมเป็นบารมีถือศีลแปดได้ไหมตลอดชีวิตเนี่ยน้องอยากกินปลาเป็นขอให้กินปลาตายปลาที่เป็นเนี่ยอย่าไปกินเลยหาหกินปลาที่มันตายแล้ว ตลอดชีวิตนะปลาตัวไหนมันวิ่งมานกพระยางเนี่ยมันจะจ้องหาปลาล่ะนกกระยางจ้องหาปลาตัวโกงนั่นปูนับร้อยนั่นตัวหอยโข่งสาวลำประดงเห็นลำประโล่งสาวอยังลงลอยคอเไยฟังน้าเพลงกล่อมทุ่งไงเปินพรมแดนนกกระยางตัวนี้ก็เหมือนกันนะจ้องหาปลาใหญ่มันจะกินเนี่ยทําาเอาคนว่ายานะยานะเป็นพระยิน ก็เลยทดสอบดูเอ๊ะมันไวจะไม่ได้นี่ทําไมปลอมตัวเป็นปลามาเนี่ยเป็นปลาตึ้งยุ่งๆนางนี่สับทุกทันนีแล้วโอ๊ยพี่นะเนี่ยเอา้าเป็นพระอินทร์นึ ก, กมาจําได้แล้วมาตัวปลอมมาบอกขานะ่าวฮะต้องอดต้องทนถ้าจะไปเกิดเป็นพบเป็นชาติโน่นๆจะต้องไม่กินปลาเป็นต้องกินปลาตายแล้วเมื่ อ, อไหร่มันจะได้กินก็นั่นน่ะสิไม่รู้เมื่อไหร่นะแต่ก็ต้องอดทนนะ ต้องอดทนนห้ถึงเพราะหิ โ, โซนะแต่ละวันมันไม่มีมาจะกินเนะี่ยจะหากินอนะไกินมดกินแมงแล้วก็ไม่รู้จะกินยังไงมันไม่ตายเสีทีปลาก็ไม่ตายมาคนหิวอดทนต่อวิถีชานานี่ยทุกมากแล้วก็กำหนดรู้เจ็บเนาะบวดเนาะหิวเนาะ ห, วหิวก็ทน <c oughs> คนหนึ่งวันนี้เขาบอกว่าอย่างอื่นก็ทนได้หมดปฏิบัติธรรมเนี่ยรู้สึกตัวก็รู้แล้วแต่ตอนนี้มันมารู้ว่าหิวหนอยหิวนหวนอหิวมากเหลือเกินอาหารเนี่ย หนูข้าวหนูข้าก็ไม่รู้จะไหวยังไงแล้วพระก็ไม่มีมาตรการว่าอดทนได้ตัวทั้งว่าตายตายจริงๆกลับชาติไปเกิดโอ้ลอยลิ้วก็ไปเป็นอยู่เมืองสวนชั้นฟ้าคนเขาบอกว่าคนหลาหลายคนส่วนมากคนอื่นทําทานทําบุญคนอื่นเจ้าชิใส่ตนนัวเองไม่สนใจตายไปจะเป็นนกกระยางขาวนางรูปนันดามีสภาพคล้ายๆกันกับนางอันเนี้ย ชีวิตเขาน่ะเพราชอบความสวยความงามแต่ในขณะเดียวกันมีครั้งหนึ่งอ่ะมีความรู้สึกว่าชีวิตเขาเน้นมีเจ้าพี่สิทธัตถะบวชแล้วสิทธัตถ ani บวชแล้วกลับไปบ้านเป็นน้องต่างมารดาเนี่ยเป็นลูกของนางประชาบดีโคตมีพอกลับไปบ้านวันนั้นนันทะแต่งงานนันทะเป็นน้องชายพระพุทธเจ้านะพ้องชาย เขาจมีน้องชายกับน้องสาวนี่แหละพอเอาไปปุ๊บเอามาบวดร่าหุ่นก็เอามาบวดต่อมานางประชาบดีนี่ออกบวดเหมือนกันเนะี่ยแล้วคนก็ชอบไปท่านก็ไปฟังเทศก็ได้ยินว่าออรูปปัญญาบางทีเขาก็เรียกนางช น, นบทกาลยาณีเนี่ยเพราเป็นคนงา่าที่สุดในตำราเขียนไว้นะเป็นรองก็แต่นางพิมพาเยโสธรา นางพิมพาก็ออกบวชปัญหามันเนี่ยแล้วก็เหลือเขาคนเดียวนะราหุลที่เป็นหลานที่เตรียมจะครองราชก็ออกบวชแล้วเป็นเขาคนเดียวที่ตรงบริหารนั่นบริหารนี่ก็นางประจาบริก็เลยว่าออกบวชเถอะอย่อยู่เลยมันไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวก็แก่ก็เจ็บก็าตายแล้วมันไม่มีอะไรเนี่ยชีวิตมันไม่มีอะไรหาสิ่งที่เป็นแก่นสารกันเถอะนี่นะก็เลยออกบวชออกบวชนี่เพราะอะไรเพราะว่า และไม่มีใครและที่สุดก็คือมหารามันก็ปฏิวัติมหาลาวันเนี่ยปฏิวัติกุงกบิรพัทเนี่ยทั้งหมดตระกูลเนี่ยเขาออเลยออกบวชเลยสากยเยวงเนี่ยเวลาเราไปอินเดียนะไปที่เนปาลทุวันเนี่ยส่วนมากจะมียังเหลืออยู่ตระกูลสากยเยวงเนี่ยยังเหลืออยู่เหลืออยู่ตระกูลหนึ่งหรือสองสองครอบครัวหรืออะไประมาณนี้เขาก็จะให้ไปเจอหน้าว่าเนี่ย เป็นผู้ที่สืบทอดมาตั้งแต่สากยวงศ์พระพุทธเจ้าน่ะยังเหลืออยู่เขาก็จะมาแสดงตัวเขาบวชไม่ได้ตั้งใจบวชนะแต่มีความรู้สึกว่ามีใครอยู่บ้านไม่อยู่พระราชวางังมันนี้ก็บวชหวดแล้วแล้่อยู่ทําไมอะ่ะล้วอยู่คนเดียวอันตรายดิอันตรายนะ่ะราชวงศ์มันกัดกันอยู่นะ่ะคนนี้เกง่งคนนี้ไม่เกง่ง คนนั้นอยู่คนนี้ไม่โยคนนี้เป็นของคนนี้คนนี้เป็นของคนนั้นเป็นตระกูล น, นั้นตระกูล น, นี้ขึ้นมามันก็จะฆ่าแกงกันนะ่ะนั้นอย่าอยู่เลยไปเถอะเพื่อเลยบามาบวชแต่พอบวชตั้งแต่บวชมัไม่เคยไปทําวัดสักทีอะ่ะไม่เคยมาทําวัดไม่เคยมาสวดมนต์ไม่เคยมาฟังโอวาทของพริษัทสดาปกติภิกษุณีในสิบห้าวันมาฟังทำครั้งนึงสิบห้าวัน ฝังทำครั้งนึงแล้วไปฝึกสิบห้าวันฟังทำครั้งหนึงนางไม่เคยมาเลยมาไม่ทันติดทาแป้งเหมือนพวกเรานี่แหละเขาไปเดินจุ ก, กมแล้วอาบน้ำมมาไม่ทันแล้วติดทาแป้งอยู่ติดส่องกระจกอยู่ติดนั่นติดนี่อยู่ไปไม่ทันเขาเห็นไหมติดเสือ้อติดผ้าติดทันที่บางคนเนี่ยเอาชุดมาเจ็ดวันเจ็ดชุด <c oughs> ก็ไปไม่ทันเขา ตามน้ำก่ำอนไปท่านอะไรก็ไม่ท่นเนานางนี้มาบวชแล้วไม่ไปทําวัตรวาไม่ไปสวดมนุษย์ละทีเนี้ยแต่หลายหลายคนเวลาไปฟังวัดทําวัดสวดมนุ์เวลากลับไปกลับไปเอาไปกระทบบอกโอต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยวันนี้แสดงทําเรื่องนี้นะฉันก็เกิดปีตินะคนนี้ก็แจ่มแจ้งนะคนนั้นก็ได้ธรรมะนะเฮ้ยเจ้าพี่นี่ดีปปนนั้นเหรอกพี่ชายเราเนี่ยดีปปนนั้นเหรอแสดงทำเนี่ย บันมาวงหญิงไม่ไปฟังเหรับไม่ไม่อยากไปว่ะใไปก็ท่านจะพูดเรื่องเรานี่แหละเรื่องอะไรคือท่านเป็นคนชอบเสริมสวยไงแปะนู้นไปนี่ไปไม่ได้เพราะพระยาเขาจะเทพจีจะว่าด่าให้ร่างกายมปนของอสุภะของเน่าของเหม็นนึ่จะไปติดมันอีกหน้าเบื่อนายหน้านูาน้นหน้านี่ท่าไม่อยากไปฟังกลัวจะพีเทศมาให้ ท่านไม่รู้หรอกท่านไปนะถ้านจะแยบอยู่ทั้งหลังสิเพราะว่ามันโกนผมมันกันทั้งหมดเนี่ยมันจะดูออกได้ยังไงไปเยอะยไม่รู้ใครเป็นใครหรอกก็ไม่ไปแล้วกลับม่อีกเขาก็เล่าอีกว่าเขาได้อารมณ์ว่านี้เขารู้แจ้งเขาเกิดปัญญาเกิดนั่นเกิดนี่เกิดเห็นสัจธรรมอะไที่สั้นแสดงธรรมนี่ปรากฏว่าเกิดนิมิตอันนั้นนี่ขึ้นมาอา้าวทาไมเป็นอย่างนั้ น, นเนากเลยบอกเขาว่าวันนี้จะไป วันนี้จะไปจะไปทําวัดล้เผื่อได้ก็เลยไปพอไปปุ๊บพระพุทธเจ้ารู้แล้วว่ามามาแล้วมาฟังทำแล้ววันนี้หายากั่านจะบวชมาก็ไม่เคยมาเนะี่ยเพราะากลัวพระพุทธเจ้าพูดให้กลัวท่านว่าให้กลัวกระทบกระทั่งถ้าติณใจเนะี่ยเวลาไปฟังเทศฟังธรรมน้นก็ไปก็ปะปนไปในเขานั่นแหละที่นี้ พระกุลาลมองไปกำลังจะนั่งเนี่ยพระพุทธเจ้าออกมาเดินออกมานั่งฟังธรรมมีผู้หญิงอายุสิบหกปีอ่ะหน้าตาสวยงามสวยกว่านางนี่สิบหกเท่านางไม่เคยเห็นเลยว่าใครจะสวยปานนางแต่ผู้หญิงที่ทาหน้าที่พัดพระพุทธเจ้าอยู่นั่นนะอายุสิบหกปีแล้วก็สวยงามหน้าตาดีมากนางตะลึงเลยนางมีความรู้สึกว่าเฮ้ย hey, เกือบกูเสียโอกาสกูไม่ได้มานะเนี่ย กูมากูได้เห็นผู้หญิงที่สวยสวยกว่ากูอีกสิบหกเท่าเนี่ยเรียกว่าหนึ่งเสี่ยวอะนะนางในหนึ่งเซี่ยวของอันนั้นแล้วกลาลังพัดพระพุทธเจ้าเลยเมื่อพระพุทธเจ้ามีบริวารด้วยเหรอเนี่ยมีผู้หญิงเป็นบริวารเขาว่านางวันก็บอกไม่เคยมีนะเพิ่งมีวันนี้นะแต่ก่อนไม่เคยมีอนะ่ะแต่ก่อนพัดลมในท่านกระจียิ่ตาจินะหรือคาวาเพิ่งมาเจอวันนี้แหละนางในพัดให้ดูตะลึงเลยทีเนี้ย ทีนี่สักพักก็แสดงทำธรรมะที่ท่านแสดงนั้นปรากฏว่ามันจะเป็นไปพร้อมกับผู้หญิงคนเนี้ยที่เขาสวยงามเนี่ยจะเริ่มเล็กลงเล็กลงเล็กล ง, เ ล, กลงเล็กลงผู้หญิงคนนี้นะเล็กลงจนกทั่งเป็นเด็กเป็นเบบี้เล ย, เ น, ยนอนแ บ, บะเบาขยับขึ้นขยับขึ้นขยับขึ้นโตขึ้นลองแองแ่แงหมืนก็ไปเป็นสาวนะ ภาพมันนะเสร็จปุ๊บก็เริ่มแก่ขึ้นแก่ขึ้นผู้ยอดเขาเทศไปเรื่อยๆนะแต่ผู้หญิงคนนี้จะเริ่มจับพัดล้มตูมลงทีนี่ล้มลงอะ่ะเหตุการณ์จะเป็นยังไงฟังต่อในวันหน้าเออมีแต่คนหลับไหลเขาจะบรรูุทําเลยนะเนี่ยนางคนนี้ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีฌานยอดที่สุดในบรรดาผู้หญิงที่บวชในพุทธศาสนา พรอวันนี้แหละวันวันที่นางจะบรรลุธรรมเนี่ยออกมาด้วยความไม่อยากฟังนะเนี่ยแต่คนนั้นว่าคนนี้ว่าก็มาฟังพอฟังพวกแบบดันมาเห็นผู้นี้คนสวยคนสวยมากคนเนี่ยก็เลยไปติดภาพนะั้นขึ้นมาแต่ก็เริ่มมีพระพุทธเจ้าก็เริ่มมีอิทธิปฏิหารมีเราไม่ไให้ดูนางจะบรรลุธรรมวันนี้แหละเอาวันใหม่คอยฟังเห็นตัว